ในวันเข้าพรรษาข้อพ้อก็ตามค่ะเรื่องในวันเข้าพรรษาไตรมาสสามเดือนนี้ไตรมาสสามเดือนนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีอุบาสกอุบาสิกามีอุบาสกอุบาสิกาขอปาวรณาตัวรับใช้ขอปาวรณาตัวรับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระเจ้าพระสงค์พระเจ้าพระสงค์หากมีกิจน้อยใหญ่หากมีกิจน้อยใหญ่ประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดปัจจัยทั้งสปัจจัยทั้งสี่อันชอบด้วยพระธรรมวินัยอันชอบด้วยพระธรรมวินัย ได้โปรดเรียกใช้ได้โปรดเรียกใช้แด่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแด่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตามการและเวลาตามการและเวลาขอความสุขความเจริญขอความสุขความเจริญจงมีแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลแลนานเถอตลอดกาลแนานเถิดเอาว่าตามสิมัติุมิง อิมาซ์ซ์าวาซซ์ิมังิมังเตมาสังเมาสังวัดสังวัสังอุเปมอุเเออเจดียวสันนะขคัญสาวตั้งเจดออกวัดเต้หน้าขคัญสายเ้ย ปฏิบัติธรรมเองอาวัชเพศว่าจะมาปฏิบัติธรรมในอาวาตนี้ตลอดสามเดือนก็หมายการสัมมาฆาลวะเป็นการฆาลวะเพื่อว่าอาทิตภาพพระเจ้าประสงค์อาทิตภาพผิดใจกันแน่นิดเียวหน่อยจึงติดมาร่วมกันฆาลวะเมื่อจะเข้าพรรษาวันจะเข้าพรรษานี้ โดยเฉพาะเป็นวันอาสราห์บูชาแต่ปกติพระสงฆ์ก็คารวะพุ่งนี้แต่ทําวัดนี่ทาวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยไปได้เหมือนกันพุ่งนี้ก็มีหน้าที่เฉพาะอาธิษฐานเข้าพรรษาอย่างเดียวก เ, เร็จธาระการสัมมาคารวะในจ้าทนโยอมก็ได้คารวะไปอยู่ น, นครพนมคารวะไปหมอสคนเท่าคนแจกไปสุด <c oughs> ทั้งหลายชั่วโมงแหละ หลมปู่อยู่น้อยคนพนมเพื่อการปฏิบัติทำไม่ให้คล่องใจน่นเวลาพระเจ้าพระสงฆ์อะไรคิดในใจกันไม่ถูกใจกันบางการบางเวลาพราะอยู่ด้วยกันหลายคนมันก็ต้องมีข้างหนึ่งข้างใดทํางานด้วยกันอะไรด้วยกันบางทีก็ไม่เข้าใจกันอย่างนี้ก็รวมมาสัมมาคารวะในวันนี้เพื่อจะสังวม <c oughs> ไม่ประมาทไม่ประมาทพลาดพั่งไม่ให้เป็นโทษไม่ให้เป็นภัยช่วยกันปฏิบัติทําให้เป็นใจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองไม่ข้องใจกัน <c oughs> แต่ทางโลกบอกว่าถ้าไปเหยียบขากันหรือคิดกันไม่ดีก็ขออภัยขอโทษขอโทษอย่างนี้มันก็สบายใจถ้าให้ขอก็หึงกันด้วยกันแล้ว น, นี่ก็เหมือนกันแหละสัมมาคารวะอจตมันเตผู้ใหญ่ผู้มีอายุพรรษา อาจารย์เยมมาเทระผู้พันษามา <c oughs> อาจารย์เยกับขันอาจารย์ยัตมันเตก็เหมือนเป็นพี่ <c oughs> แก่ทางศีลทางธรรม <c oughs> มันถึงว่าอายุน้อยแต่ได้การปฏิบัติธรรมถืออายุในการปฏิบัติธรรม <c oughs> คนเท่าคนแก่อายุแปดสิบเก้าสิบบวชวันนั้นก็ต้องคารวะ ถึงอายุน้อยแต่บวชได้นานแล้วเป็นปีสองปีมาแล้วอย่างนี้ก็ผู้เฒ่าผู้แก่พระผู้แก่ก็ต้องได็สัมมาคารวะ <c oughs> นั่นแหละการสัมมาคารวะในเทศการข้อพันธาเพื่อไม่ให้จิตใจมัวเมาเศร้าหมองต่อกันให้คิดให้ดีต่อกันให้ระมัดระวังเพื่อจะสังรวมด้วยการปฏิบัติธรรม <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาสาหะอชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูุแล้วไปแสดงทำให้แจกบรรจักวัคคีทั้ทงห้าแต่ได้ตัดสรูุได้เห็นสินเนทนธรรมมีจิตใจเรื่อมใสในทางพระพุทธ ศ, ศาสนาขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้านั่นัญญาสิวัตโพกนทันโยในธรรมจักกับัญญาสิวัตโพกนทันโยติกิติสิดังอาญธรมะโตโงนทัญยัตถะ ได้เห็นทำแล้วหนอพระอัญญากนธัญญะได้รู้ทำแล้วหนอนาะเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเรียกว่ามีสามปรัตนาะคือพระพุทธเจ้าก็มีพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติทำตามคําสงสอนของผู้เจ้าก็มีขึ้นในโลกองค์แรกน่นเรียกว่ามีสามปรัตนะ ยังมีพิธีเป็นการระลึกนึกถึงถ้าไม่ทําเอาไว้ก็ไม่รู้วันอะไรนแต่โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเล็กๆก็ถามกันนะนั่นอาสารหะเป็นวันอะไรวันออกพรรษาเป็นวันอะไรวันวิสาขเป็นวันอะไรวันมาฆะเป็นวันอะไรก็คําตอบกันอยู่เป็นวันๆถ้าไม่ทําเอาไว้ไม่จารึกเอาไว้ก็ไม่รู้ประวัติของพระพุทธเจ้าได้เป็นอะไรทําอะไรบ้าง โดยเฉพาะอาสารหะก่อนข้อภาษาเนี่ยแหละเรียกว่าอันสารหะวันที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเทศนาบทปัญจัรวัคคีได้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเรากล่าวไปแล้วเราว่าไปแล้วที่ขานิยมทางฝ่ายปกครองก็มีการเยียนเทียนกันใหญ่โตบางวัดก็ขายดอกไม้ขายธุระเทียนในวัดนะเลยเพยนไปหลายอย่างพิธีกรรมเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างแล้วแต่ใครจะคิด แต่ทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์คิดแบบเรียบง่ายไม่ไปสนอกสนใจภาพอามิตรสิ่งของมันเป็นอามิตรนะอย่างดอกไม้ทูบเทียนซื้อมาเท่าไหร่เท่าไหร่เห็นไหเมืม่อเช้านี่ถ้าเปิดให้เอามาทุกคนทุกคนจังประเทศไทยนะจะไปวัดไหนไปถวายทูบเทียนไปวัดไหนถาวนถายทุบเทียนน่ะถึงกรพะพาะขี้เกียจดังไฟทุกวันเ อ, เอาทูบเทียนนั่นถลมไฟเข้าไป <laughs> อยู่ฟ้าเย่อยทําไมก่อนลุงปู่ก็ไม่เน้นหนักอยู่ น, นี่คนมาเอเข้ามาเอามาเข้ามาเข้ามาโอ๊ยเอาไปกองไว้ป่าลำย่อยหลุงปู่ว่าจะไปทําเจดีขี้ผึ่งพอ <c oughs> ดีเขาก็ไปขโมยเอารถถอยใส่เข้าไปแล้วกันโอ้ยพระก็ไม่สนใจอะไรแล้วเขาก็ไปโกหกเขาโอ้ยลุงปู่ให้มไหเอาเทียนไปหันไปนี่พบก็เปิดตู้ให้เอ้านับใส่รถไปก็ไปจ่อยนั่น มันทำให้คนเป็นบาปเป็นกรรมเยเราทำแบบเรียบง่ายไม่มีพันธะภาระอะไรเบามาตัวเบาอยู่เล้เบาทำแล้วเบาทำเรียบง่ายที่พระเจ้าสอนให้เรียบง่ายแต่คนเราก็ชอบยุ่งกันโดยเฉพาะยัง่งยิ่งผ้าจำนำทัญษารนะอย่าไปลืมนะวัดสิกะสาติกังอติธามิต้องบินทุเสกกร ออกคนสายแล้วต้องถอนออกพระเวทเจ้าให้สแสวงหาผ้าอาบน้ําฝนปิดพระวิเนยนะถ้าใครไม่มีผ้าอาบน้ําฝนพระพวทเจ้าให้สแสวงหาอีกด้วยก่อนจะเข้าพรรษาอยู่เดือนสองเดือนให้รีบหาน่ <c oughs> ข้างพุฒิกาลไปหาที่ไหนป่าชาผ้าผ้าหอ่อศพนี่ให้สแสวงหาผ้าหอ่อศพขอลอกระเรยไปเก็บไปมาตอกันเอา ต, อ ก, อ, าตอกันเอาดิ โดยเฉพาะประเทศอินเดียดีเอาผ่าขาวห่อศพก็ใส่สามรอบไปแล้วปิดทิมปับนั่นใหม่มัดมือไฟอันเอาฟื้นโดนหนึ่งไปแต่ค น, คนตายก็ต้องเอาฟื้นไปโดนหนึ่งนเพราะต้อกำไรนั่นผู้เช่เปือกับได่นนเวลานกับใหม่ว่าตามเพราใหม่กับตามแบบนี้ผู้อื่นมากกับไปเคลียร์ลงแม่น้ำคงค่า ถือว่าได้ล่างบาปแต่นี่แม่น้ำพันร้อยไปจนนี่น้ำพุนแล้วพวกแห้งพวกกาดพวกยุคขึ้นกันปลาญาดพวกเหมือกับแห้งกาแล้วพวกแห้งพวกกาดออกจากประเทศไทยไปยุคุึนแล้นั่นแหละผู้เจ้าแสวงหาเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ต้องใช้ผ้าเวลา่อคนรษาเราก็จึงถอนออกใช้เป็นผ้าปูนอน ผ้าปูนอนใช่เท่าไหร่ผืนก็ได้แต่ผ้าน้ําผลใช่เหมือนผ้าตะบงเกวีนใช่ผืนเดียวผืนเดียวผืนเดีย ว, ยว <c oughs> แต่ผ้าปูนอนไม่จํากัดสีไม่จํากัดกว้างยาวไม่จํากัดผืน <c oughs> มีชื่อปัจจทรณังมุขะพุณธนโจวรังผ้าเจ็ดหน้าด้ย <c oughs> มีชื่อหมดผ้าเล็กๆก็ผ้าปริขาระโจวรัง นี่วัติกะชาติกังปัจบงสวอนสังคาติอุตละสังคังอันตรลาวสักังสังคาติงติซีดานังมีชื่อหมอดันเอาไปใช่ไม่ใ ช, ใช่ว่าเห็นผ้าหรือจะเย็บไปใช่เลยนะไม่ใช่น ะ, นะเวลาเอาไปใช่ต้องเก็บต้องรักษาไม่ใช่ตาแต่ตาฝนถ้าไม่เก็บรักษาก็ผิดผิดพายินกับอบัตทุกอ สมมติว่าเป็นของตนได้ก็ต้องรักษาเลยรักษาบริขารของใข่ของสายของตนเองที่นี่เรื่องโยมปว ร, ราณาก็เหมือนกันนี่พระไม่เข้าใจจยากใช่อะไรเอาหลวงปูป่ไปความโยมโยมหลวงปู่ชอบนั่นหลวงปู่ชอบนี่หลวงปู่ไม่มีอ น, นุนหลวงปู่ไม่มีอันนี้เอาหลวงปู่ไปเป็นโลกขอกับเจ้าโยมมันเป็นทอดมันไม่ได้ยกเว้นเฉพาะเขาปว ร, ราณาปว ร, ราณานี้ยินดีได้สมเดือนนี่เขาปวารณาแค่สามเดือนนี่ ถ้าออกพรรษานแล้วไปใช้อขอข อ, ของจับจมบีบไม่ได้นะ mm hmm. มียกเว้นเฉพาะเขาปรารณาตลอดชีวิตนั่นมียกเว้นอยู่นะพระพุทธเจ้าบางคนเขาไม่เรื่อมใสพระก็จะไปขอเอาขอเอามันกับบีบมั้งครับศรัทธายา จ, จมมันก็เป็นบาปเป็นก็เป็นโทษเป็นนะเป็นโทษนั่นและเป็นเป็นอบัตรคนไม่เข้าใจโอ้ยทอาไมก่อนหนึ่ไป ขอเป็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องไปขอนั่นขอนี่ก็ไ่ได้ดิเคยไปบอกขอออกเอามีขลมาหายตะก้อนหลวงปู่หงจกมาจอว่ากอนเสียป็นไงหลวงพ่อไปพานหลวงปู่ตะก้อนนี่พอออกหม่ได้เห็นไหเอานี่เอานั่นนู้ให้ผู้นั้นผู้นี่ก่อนมันมันําพระเป็นด้บแบบนี้จะขอจังแม่ไปหาขอพ่อขอแม่อีกก็คล้ายๆกับว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูไม่ได้ดิจังไปขอญาติโมัน ถ้าความผิดนะจึงไม่หนีจากมาแล้วไปขอไม่ได้นะยกเว้นเฉพาะมาปรนนาเอาไว้เท่านั้นจึงจะเป็นเรียกร้องไลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องพระสงไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้จะต้องไม่เข้าใจไม่ศึกษาสังเกต <c oughs> ถามไม่ไ <c oughs> ้ไม่ถามอะไรเอาตามใจตัวตนเอง คิดเจตนาดีแต่มันไม่ถูกต้องไปบังคับใจของคนอื่นนะเพราะฉะนั้นพอแม่คอณบาอาจารย์หรือหลักพระยนายพระเจ้าจึงทรงอนุญาตยินดีกับของได้พอใจกับของมีรู้อยากคำว่าเพียงพออะไรมันก็มันไม่เหมือนแต่ก่อ น, น้วทุกวั น, นมันหรูหลาถึงกับพระเกิดเจรินะเลยไปใช่เป็นนิสัยแล้วก็ชอบน่นชอบนี่หิวนั่นหวนี่อยากนั้นอยากนี่ไปสั่งเอาตาม เลตไม่มีเบรกโ้ก็เลยนั่นแหละไม่มีข้อสินข้อทําบังคับจิตใจนะในการปฏิบัติธรรมถ้าหากรุ่ร่วงหลักศีลธรรมของพระเจ้ามันทำให้จิตไม่นิ่งเพราะฉันั้นจึงถูกบังคับอาศัยหลักธรรมินันเป็นเครื่องบังคับนะมีหิริมีความเึงกลัวละอายต่อบาปไม่รู้ว่ามันเป็นบาปพอเกิดความโลภขึ้นมามัน เป็นบาปด้วนะเห็นไหมเรามุก็เลยฟุ้งเคยได้เคยใช่เคยขอเคยเป็นเคยทําอะไรก็เลยเอาน่ะเป็นนิสัยไปแล้วท้าทางไม่ดีเป็นนะเนื่องใจของคนเราพราะพเจ้าจึงให้อดทนจึงได้บังคับให้ทุดงควัตทุดงควัตให้ยินดีกับพระมหาบังสกูลถ้าอย่างนี้พระผู้เจ้าไม่ให้ยินดีดิเขามาให้ เ, เยอะๆสวยๆงามๆ บงังสกูลใจวัลังคนทายาบันฝาชาตทฏเจรวะทิวังมุตหกกรณิโยนั่นให้ทื่อถือผ้าบางังสกุลเป็นวัดเถิดเ ด, ด่ทุกวันนี้ก็เอาผ้าพุงกุลมาทำมัตกุลถือท้วยนี่นเป็นขุมเศรษฐีกระรุมทีอดีเรกกราดนี่มันไม่ดีบงังสกุลที่แท้จริงคือตามป่าช้าน่นผ้าป่า ก็อยู่ที่ป่าสมียไมโบราณญาติโยมมาไปวัดบ้านเอาของไปทอดบังสกุลไปว่ากันไปตีกงปุ้งปังปุงปังโอ้คนไหนมาทอดบังสกุลน่าไปหาเบิงกันน่ะอยู่น้าป่าผมเห็นทุกวันมีนก็เลยทำพิธีไปถวายผ้าป่าของใบใหญ่ักโตเป็นพิธีอะไรต่ออะไรขึ้นนั่นนั่นไม่ถูกต้องนะนะบางสกุลคือผ้าไม่มีใครเป็นเจ้าของ ทิ้งอยู่ตามปา่าโดยเฉพาะประเทศอินเดียเนี่ยแหละอยู่ตามปา่าชา เ, เจ็บเศษเศ็ดน้อยเหลือเศษ จ, จะได้จากผ้าห่อศพพันศพ น, นั่นน่ะมหาบังสกุลติดอีกเสีด้วยนะเพราะมันจะมีกลิ่นมีอะไรซักออกบ้างไม่ออกบ้างแล้วก็เวลาไปนุ่งไปผมแล้วก็ถูกกลิ่นบ้างอะไรบ้างก็เราได้พิจารณาในตัวเราเองเป็นกรรมาฐาน คุณเจ้าจงทรงอนุ ญ, ญาตในพระผูผ้สูงสององไหนนั่งสมาธิภาวนาไม่ดีให้ไปเยี่ยมป่าชาองไหนที่กลัวให้ไปเยี่ยมป่าชานี่น้องเข้ามาดิตีมาพูดอยู่ที่นี่กูเหมือนกันนะก็ เ, ร า, เราะได้ไปเยี่ยมป่าชาเขามาเผาแล้วก็เกิดกลัวพระเมื่อค่อยมีมพระอยู่กับหลวงตาองหนึ่งแก่ โยมเขาเอาศพมาเผาเขาก็ไม่เป็นตนิบวัดบ้านเือด้วยเขาเอาเฉพาะวัดป่ามีสองกองลูกพ่อกระจ้านเห็ดจังไหนเฮ้ยอาย่จังไหนไปที่ไดสวดพระสวดบุเร่าวกุกกจเพือตะเพื่อตะคุณหลานคุ้หลานคุณหลานได้จังไหคนตายเขามามุนอ้ยก็สวดเขาตัวเราแล้วเขาก็บงมม้วนหมดว่าเห็ดรุนทา้งเด้อมันจ่านเด้อเราเห็ดรุนทังชุมกลมนี่้เดือเบืงให้เราก็สนองเห็ดรุ่นทังยมกลม คนเดาเอาไฟสบันเดเป็นหน้าไตาเทียนแตนเทียน น, นก็งงไก่อยอะด้ไฟสบเดินจกกมกลมเหมอนหลุมจาน ย, ย่างนิ <c oughs> คนท่างไปคุดติน้อยมลนตภัณานไปสบป้าซาความป้าซาไปคนเดทั้งทีหัวเนี่ยขู่ขากันตายเล้ววิ่งกันไ้สองสบปู มันจานหะไก็ไปยืนมันแล้วเนเท่าจานตกอนก็กลายไปแล้ว <c oughs> นั่นจิมมีว่าอาจารย์จิตใจกันมีผีกัขึ้นมาให้เบิงเด้อจันมันก็ว่มี่อย่างก็ไปกัดน้าก็หายกลัวได้แล้วบัดเดินไปเป็นมากคือกันจิ้มเราเป็นเท่าอ้อยเหาะป็นเหาะกัตัวมัมันอยงโอ้ยตัวเหาะไปคือห้าแสนงองแฉ่มาถึงก็ได้แล้วเผาลงไปแล้วมี่ย่งนแน่ นัเข า, น ห, าหนีไปเราโอ้ัาสีาดเไดีเจไดผมบอมันว่ามีเนมคือตัว ม, ม, ม, มือนี่รอ ด, ดอตะกอนหนัของไฟของฮาขึ้นซะเราก็ไปข้างขึ้น <c oughs> นี่ไม่บอกงสองขอาอ้างมัไม่คมเหงียนี่สำเห็นม่นยากบาคนห้องนั่งตาตายลราเงี้เป็นยากเลต้องมี ไ, ไม่คมเหงไว้คุณที่ว่ายากคือว่าง่ายแต่คนห้องมันยากแท้คนหอน้องนี่นั่นเห็นว่าหลั ยากเลยยังไม่ได้คือมักยากแต่ก่อนเร็นบ้านตายแล้วต้องไม่ก้มเหง่ไว้อีกบังคับไว้อีกมีแตะอุบายธรรมอ่ะบบราณเ็ปไปแค่ตัวมือที่เมื่อก่มัไม่เทียมไปเมืแล้วไม่ได้เห็นเผาศพยังได้บอกเราไปย้อนไปเห็นเผาย่ธรรมบลาณยงเทปโอ้ยหลวงพ่อเห็นอุจจารตาผมสิ่มัสงไม่ไหมบอกเอาผมไม่ได้เห็นธรรมอ่ะสินครับยแบบธรรมชาติของประเทศีเดียว <c oughs> นี่เนี่นเพิ่งก็ได้เห็ุเป็นนั่นตัว่าผสมยาาังหันมันก็เหตุเป็นพ้ขึ้นือเห็ุเนี้ยมุ่งตรวจออกตรวเขาไปจะซื้อพ่อไว้หนมันผุกม่เห็นเป็นแ ม, ม, ม้มาแดอกเพ่ได้จากไปแ ม, ม่ไปทังวัดบ้านถึงมา่คนตายมันกินเหลากินจา ก, กันโหยแก้กุ้มเป็นแต่ละตัวเพิดทอดกันเราเเรามาแก่กันว่าว่าคนกินเหล่าในวัดเป็นบาปอีก้มเมื่อเหดอกว่าสาุป่ หายจินกันสมตกรสันต์กนั่นเพราะฉะนั้นในเร่งภาคปฏิบัติในสมาทานเนี่ยวันนี้เป็นวันของญาติโยมเข้าพรรษาปารณาแจกพระเจ้าประสงค์แล้วใพยายามเน้นหนักภาคปฏิบัติบูชาอย่างที่เตือนมาทุกวันทุกวันนั่นแหละเหมือนสุดท้ายจำตักุฏภาลุลงทานตึกๆ ทำซืก้อนเน้อองหรามทีพาลูกของน้องส่งไปอยู่ไปยึดาที่พนนีลตาภาษีมหาเนีเย ไยุ่วปุนใชไปไปไปตั้งปุ่นสนับเร็วยีหาย่าครับผมตั้งตมหมกเพิ่มเต็มมวกแล้วกระซึ้ไปสามเงินอีกสามเงินเงินบวนังจะองบาล่ะอ้ยูยุบ่องอยู่ชองสมุทรปราการับผมว่าทดลองจก่อนอ่ะ ในหลวงพ่อด้อยสบายใจร้อยเพราะรับคำคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าลูกจะไปอยู่ด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ปลอบพ <c oughs> ่อไหลวงตากอ็อยู่น้าแน่หรือไปทำอะไรได้เพื่นอนแน่เอาไปเบิกเงินอะไรไปร่วมระดับมันเป็นประโยชน์คุณพ่อคุณแม่ฝากแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจ เราจะคิดไปแบบง่ายๆเราก็เคยคุกคีมาแล้วอยู่ทางโลกอย่างที่พูดนั่นแหละมันไม่สิ้นสุดโลกอยากให้ศึกษาทางนี้ตามคำเมื่อเวลาเราออกออกไปก็อยู่ใจอวราชทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าจากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วทำอะไรก็จะสำเร็จร่วงเพระบุญปกป้องคุ้มครองบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญไม่ใช่เฉพาะเราคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อันนี้ส่ด้วยความปีติความดีใจเรา เป็นหนี้เป็นสินค่าเข้าป้อนน้ำนมของคุณพ่อคุณแม่หลวงปู่ได้บวชก็เพราะคุณพ่อคุณแม่แม่จะตายบอกว่าบวชให้แม่ในเด้อบวชให้แม่ในเด้อจึงได้บวชแม่งั้นก็ไม่ได้เหลือแล้วโลกขอไปใช่บวชแล้วคำสั่งของคุณพ่อคุณแม่คิดดูค่าข้าป้อนน้ำมนมเลือดเนื้อพ่อแม่อยู่กับตัวของเราหมดแล้วรักษาเราดีก็เหมือนรักษาคุณพ่อคุณแม่ บางคนคุณพ่อคุณแม่ทำดีรักษาคุณพ่อคุณแม่รักษาคุณพ่อคุณแม่ก็รักษาตัวเราคุณพ่อคุณแม่บอบให้เราหมดแล้วถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราจะได้ร่างกายไหมล่ะร่างกายกวันนี้ของคุณพ่อคุณแม่ตัวของเราที่แท้จริงคือใจจึงแต่ไม่เอาใจอยู่ใจทั้งขาดร่างกายไม่เพียงเกินแล้วแก่เก็บตายพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาคนๆนู่นไปไหนหมดแล้วตายก่อนแล้วเอาไปด้วยได้ไหม ความล่ำรวยเอาไปด้วยได้ไหมสวยงามเอาไปด้วยได้ไหมผมเส้นหนึ่งเอาไปด้วยไม่ได้เงินทองเขาใส่ปากให้เขาแก็บดูแล้วเขาขอขึ้นมาอีกได้อะไรล่ะ น, นะอยากให้เรียนรู้จุดนี้อยากให้รู้จุดนี้ฮะพ่อแม่ดีใจมากวันหนึ่งดีใจปีหนึ่งก็ยิ่งจะภูมิใจดีใจโดยเฉพาะมาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ พ่อแม่เขาลบกันไปแต่กูรับบูชาก็ยิ่งมีปีติเพิ่มศรัทธาเข้าไปอีกเลยค่ข้าวป้อนน้ำนมค้าเรานั่งอยู่นในคันพ่อแม่แปดเดือนคือได้คลอดออกมายากไหม <c oughs> ก็จัดใจขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายๆนั่นนี่แหละถ้าเราทำอย่างนี้ไปว่าแทนแทนบุญคุณบิดามารดาที่ประเทศไทยค่านนจมบวชแทนค่นนข า, ขาข้าวป้อน น, นมบิดามารดา ไม่ไม่นานหรอกแป๊เดี๋ยวหลายปีคิดนะ เ, เดี๋ยวพป๊เดี๋ยวหมดไปเห็นว่าแต่ละวันแต่ละวันเราพั๊เดี๋ยวหมดไปแป๊เดียวหมดไปนะเราผ่านมาแล้วทุกอย่างเรื่องของกิเลสนั้นหาตะวมมันไม่พอใจง่ายๆหรอกถ้าเราไปเบรกเอาไว้เนี่แบบการกลับมาฝึกอย่างนี้เบรกเอาไว้อดใจได้เป็นพะนะระเพื่อแากพุทธศนตนต้นเดจงลูกหลานเดจิพี่น้องได้เกิดตละมา ทำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีตลอดได้ได้ทามาถวายผ้าอาบน้ำโผลในปราณาตนรับไช้พระเจ้าประสงค์พระแม่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติทำเข้าไปอีกเน่นหนักเข้าไปอีกเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลกรงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางลาย จงมารวมกันตรงปกป้องก็ปกปาศเอาตนได้จมลุกหลานได้สืบพี่น้องจงมีแต่ะโกมสุขุมเจริญสุขกายสุขใจเจริญในธรรมคาสัสอนของผู้เจ้าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของผู้เจ้าจงมีดวงจิตดงใจได้เห็นติเน้นธรรมในควาชาตินี้เถิดสาธุชาลโลชาวินิโมโตสัพสันตาวะ ทิฏฐาภาเวลังมติการตนิพุตตจตุวังภาวะสติโย สเนิจังวทาปัจจเนวัจารธมาวารันติอายุวันโนคาภารยันตโกดาจินาดินนาสังขมิโตปติตา ระตังนิทายาสานาโปกัปตโยติธมโจอยามิทัสโตเตตานาปุจจักกตาอุราลาอะรหัญยาอี่ผูมปตินังตเหหิปุญะทุตังนัปปกาต สามังกาลังราคันโตซาปเดวะตาสามามุตธานุภาเวนาสดาโตทิ่พะวันทุเตภาวันโามังกาลังราคันโตซาปเดวะตาสามามัมานุภาเวนะสดาโตทิ่พะวันทุเต อาวาทุสามังกาลากรักขันทุสักวเดวตาสัมาสังฆานุภาเวนะสดัสโสตี